พระองค์นี้สรุปแล้รับอารมณ์ไม่มีเขตแดนคือราคะโทสะโมหะมปันแดนให้พระองค์เลยไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักษุทรงเห็นรูปด้วยพระจักษุแต่ไม่ทรงมีฉันทะราคะมีพระไถยพ้นวิเศษดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระโสดทรงสดับเสียงด้วยพระโสดแต่ไม่ทรงมีฉันทะราคะมีพระไถยพ้นวิเศษดีแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระคานะทรงสูดดมกลิ่นด้วยพระคานะแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไทยพ้นวิเศษดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชิวหาทรงลิ้มรสด้วยพระชิวหาแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไทยพ้นวิเศษดีแล้วเห็นไะมมือกลางวันใครปัจเจวกบ้างเนาะเห็นไห บอกแม่คุณธรรมของศีลยังยากเลยจะ ก, กล่าวไปยายถึงสมถาวิปัสนาลเล่า่างั้นนะปัจจเวกเนี่ยเป็นกุศลศีลขั้นธรรมดาพื้นฐานล่างๆด้วยซ้ําไปเนี่ยนะอย่าว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอะไรชั้นสูงต่อไปอีกเลยนัย่นก็จะยากขนาดไหนแต่พระองค์มีอย่างสมบูรณ์ะคิดดูถึงของเรายังไม่ทันมีเราก็ได้นับถือคนที่เขามีคุณธรรมอย่างนี้น่นนะเหมือนอะไรเราไม่มีความรู้ทรงพระไตรปิฎกได้แต่เราก็ศรัทธานในพระไตรปิฎกแต่ว่าแยกให้เห็นว่าเอ้สที่เรายังไม่รู้เราก็จะตั้งอัธยาสายเพื่อ ความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยเพื่อความรู้เป็นความประมาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวครั้งหนึ่งจบตรงนี้ก่อนเนระจะบอกว่าถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยไว้เรียกว่าเป็นความประมาทเห็นไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกายทรงถูกต้องโพธาภะด้วยกายแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระทัยพ้นวิเศษดีแล้วเห็นไหมพระองค์เนี่ยรับเย็นรอน้อนอ่อนแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะขนาดไหนใจของพระองค์ก็ไม่มีกิเลสตามเดิม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมนัสทรงรู้แจ้งธรรมะด้วยพระมนัสแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไัยพ้นวิเศษดีแล้วพระพู้เจ้าเจ้านี้เป็นผู้ที่รับอารมณ์ทุกชนิดจิตนะรับรู้อารมณ์ทุกชนิดแต่ว่าไม่ได้ไหลไปด้วยกับกิเลสในอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นพระพู้เจ้าเจ้านี้รู้เรื่องของสัตวระสัตทั้งหมดว่างั้นเถอะสิ่งที่สัตว์คิดนะพระผู้ เ, เจ้าคิดรับรู้หมด ก็มีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่ที่รับรู้ในทางวิญญาณหกทวารหกของสัพพสัตต์ในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้มีประมาณเท่าใดนะพระองค์รู้หมดเนี่ยนะแต่สิ่งที่พระองค์รู้สัตว์ไม่รู้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะพระองค์รู้หมดเล ย, ยถ้าพระองค์ไม่รับรู้จริงๆพระองค์สอนไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนนะถ้ารู้เท่ากันก็ไม่รู้เอาอะไรมาสอนองนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขม่มทรงคุ้มครองทรงรักษาทรงสํารวมพระจากสุขอันชอบใจในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปและทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมจากสุขพระผู้ศรัทธาเนี่ยฝึกทวารตาเรียบร้อยแล้วก็แสดงธรรมให้คนอื่นฝึกด้วยไม่ใช่ว่าพระองค์ดีอยู่แต่คนเดียวะนะไม่ใช่เนี่ยแบ่งปันความดีเหล่านั้นไปให้คนอื่นทรงขม่มทรงคุ้มครองรักษาสํารวมพระโสด อันชอบใจในเสียงยินด um er ีในเสียงทรงคมพระคานะอันชอบใจในกลิ่นชิวหาอันชอบใจในรสพระกายอันชอบใจในโพธพภะพระมณ์อันชอบใจในธรรมอรมณยินดีในธรรมอรมณ์ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะตานี่มีสีเป็นที่มายินดีหูมีเสียงเป็นที่มายินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีรสลิ้นนะลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีใจมีธรรมอรมณ์เป็นที่มายินดี พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงข่มคุ้มครองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยนะสำรวมระวังเป็นอย่างดีและก็แสดงธรรมเพื่อความสํารวมระวังอีกเนีย่ยนะว่าเห็นยังไงนะเธอจะได้ไม่มีอภิชานนะรับรู้อารมณอย่างไงจะได้ไม่มีโทมนัตรับรู้อารมณ์ยังไงจะได้ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องการข่มการคุ้มครองการรักษาเป็นเรื่องของการฝึก นะเป็นเรื่องของการฝึกไม่ใช่แล้วแต่มันจะไหลไปเนี่ยนะว่าลืมลืมตาดูอะไรสักอย่างก็คิดยาวไหลไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเรามีไก่เป็นอารมณ์แล้วคิดยังไงเนะี่ยไม่ได้คิดนะโมแต่คิดธรรมะมอันผู้ที่ฝึกสาเร็จแล้วนะฝึกทางทวารทั้งหกเนี่ยโดยที่จิตไม่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลสรุปว่าบริบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะ บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาชนทั้งหลายย่อมนำยานที่ตนฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาน่นะพระราชาย่อมทรงประทับยานที่สารถีฝึกแล้วก็คือพูดแบบโบราณนะเขาใช้ช้างใช้ม้าใช้รถเหล่านั้นนะจะต้องเป็นช้างม้ารถที่เขาฝึกมาเป็นอย่างดีเขาจึงเอาไปใช้บุคคลที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เน่นะ ทันโตเศธโธมนุสเสศุเนี่ยนะในหมู่มนุษย์เนี่ยผู้ที่ฝึกทวารหกสาเร็จแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะ <_ d ai> บุคคลใดย่อมอดทนคําที่ล่วงเกินได้บุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐนะนะถ้าใครอดทนคําพูดคนอื่นล่วงเกินได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะ <_ d ai> ม้าอัสดรม้าอาชานัยม้าสินทบช้างใหญ่คือกุญชรที่เขาฝึกแล้วจึงประเสริฐ บุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐกว่ายานมีม้าอัสดรที่สารถีฝึกแล้วเป็นต้นนั้นนะฝึกช้างฝึกม้าเนี่ยนะสู้ใจที่ฝึกแล้วไม่ได้หรอกใจที่ฝึกแล้วนะตัวในครั้งว่าใจที่ฝึกด้วยศีลใจที่ฝึกด้วยสมาธิใจที่ฝึกด้วยปัญญาคือปัญญาเป็นต้นอ่ะเป็นตัวฝึกใจนั่นเองนะให้ใจเนี่ยเป็นไปกับร่องกระลอยเป็นไปกับคุณธรรมทั้งหลายใครๆ พึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านี้เหมือนบุคคลที่ฝึกตนะ น, นะคือด้วยความฝึกอินทรียีฝึกดีด้วยอริยมรรคภาวนาฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปฉะนั้นหาได้ไม่ะ น, นะบอกว่าไม่มีใครขี่ช้างอ่ะไปหาอมตะทิศได้หรอกนนะไม่มีใครขี่รถไปหาอมตะทิศได้หรอกใช่มมีแต่ใจที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นแหละที่ไปหาอมตะทิศ ทิศที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอ่ะเคล็ ด, ดัวนะเอาอะไรไป น, น, นั่งยามตรงไหนไปจึงจะไปเห็นทิศที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคืออสังคตธรรมนั่นก็อาศัยจิตเนี่ยนะจิตที่ฝึกด้วยไตรสิกขาเนี่ยจึงจะไปสู่ทิศคืออมตะธรรมได้พระขีนาสถทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะมานะทั้งหลายย่อมเป็นผู้หลุดพ้นจากกรรมกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆพระอรหันต์เนี่ยไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่นิดเดียว ปกตินะ่ะสัตว์จะวันไว้ด้วยตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ท่านไม่หวนไว้แบบนั้นแล้วพ้นจากกรรมกรรมกิเลสกรรมกิเลสนี่ถ้ามันเกิดแล้วเป็นยังไงก็พาให้สัตว์เนี่ยเกิดบ่อยๆบรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วภูมิที่ฝึกเสร็จแล้วคืออรหัตผล น, นี่พระขีนาศกเหล่านั้นเป็นผู้มีความชนะในโลกอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะ ท่านชนะหมดทุกทวารเลยนะโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านชนะหมดไม่มีเหลือพระขีณาศพใดให้เจริญแล้วอายตนะภายในอายตนะภายนอกของพระขีณาศพนั้นนะ่ะทำให้หมดพยศแล้วคือไม่มีอายตนะตัวใดมันจะพยศพาให้กิเลสเกิดอีกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตาสีหูเสียงจมูกกลิ้นลิ้นรถกายโพธะพระใจธรรมารมณ์เนี่ยฉุดไปหากิเลสไม่มีแม้แต่อันเดียว่啊 พระขีณาสพนั้นล่วงแล้วซึ่งโลกนี้และโลกอื่นในโลกทั้งปวงมีธรรมะอันให้เจริญแล้วฝึกดีแล้วย่อมหวังมรณการเนี<ม>่ยนะคือถ้าผู้ฝึกเสร็จแล้วก็รอรอที่เรียกว่าอะไรนะคนทํางานเสร็จเนี่ยรออะไรก็รอเวลาเลิกงานเนีะรอเวลาเลิกงานเท่านั้นเองพระอรหันต์ก็ที่ฝึกสําเร็จแล้วก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นอยู่หรือดับขันปริณีภารเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกต่างกันเลย เรียกว่าไม่ได้ดีใจเพราะจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เสียใจเพราะจะตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัดเหตุตัดใจแห่งทุกเหล่านั้นหมดแล้วทีนี้เมื่อกี้ที่กล่าวว่าผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อคุณชั้นสูงเรียกว่าผู้ประมาท น, นะซึ่งเราสามารถจะศึกษาได้จากผู้ที่ไม่ประมาทนี่เขาเป็นยังไงตรงกันข้ามกับผู้ไม่ประมาทเรียกว่าผู้ประมาทนี่นะ ในเมตโคลมานาวะกะปัญหานิเทศขยายคําว่าอัปปามัตโตเนี่ยนะคือผู้ไม่ประมาทเนี่ยคือทำเนืองๆทาไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันท่ไม่ทอดทุระไม่ประมาทในกุศลธรรมคือความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้หมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะ ความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองๆ ใ, ในกุศลธรรมนั้นว่าอันี้วิธีเขาคิดบอกว่าเมื่อไรเราพึงบำเพ็ญศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เนี่ยนะผู้ไม่ประมาทเขาเป็นอย่างนั้นทำไงนะศีลที่ยังไม่บริบูรณ์จะได้บริบูรณ์ขึ้นหรือพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในกุศลธรรมนั้นอนุเคราะห์ สมาธิเนี่ยนะที่ยังไม่บริบูรณ์ให้พึงบำเพ็ญสมาธิที่ยังไม่บริบูบรณ์รให้บริบูรณ์หรืออนุเคราะห์สมาธิขันที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในกุศลธรรมนั้นเมื่อไหรเราพึงบำเพ็ญปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในกุศลธรรมเหล่านั้นสแสดงว่าตั้งไว้ตลอดเลยนะทำยังไง ไกลสิขาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบริบูรณ์ยิ่งขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นนะนี่เขาคิดกันแบบนั้นสําหรับผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อไหร่เราพึงบําเพ็ญวิมุตติขันที่ยังไม่บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์วิมุตติขันที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในกุศลธรรมนั้นเมื่อไหร่เราพึงบําเพ็ญวิมุตติญาณทัศนิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์วิมุตติญาณทัศนิขันที่บริบูรณ์ด้วยปััญญาในนนกุศธรรม้ ความพอใจเป็นต้นนั้นชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคือพอใจที่จะให้กุศลเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองใดในกุศลธรรมนั้นว่า เมื่อไหรเราเพิ่งกําหนดรู้ทุกที่ยังไม่กําหนดรู้อันนี้ตั้งกันบ้างเลยใช่ไหมเมื่อไรนะเราจะได้ทําปริญญาในทุกข์ที่ยังไม่ได้ทําปริญญาอันนี้ต้องตั้งเลยนะถ้าไม่ตั้งเรียกว่าประมาทเพราะผู้ไม่ประมาทเขาตั้งไว้แหละเขาจะต้องทําปริญญาในทุกนะเราเพึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละเพึงทำเพึงเจริญมรรคที่ยังไม่ได้เจริญหรือเพึงทําให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งทั้นผู้ที่ไม่ประมาทเขาตั้งกิจไว้เลยว่าจะต้องบําเพ็ญกิจใน อริยสัจให้ได้เนี่ยนะจะต้องทํากิจในในอริยสัจเ ah? รียกว่าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความพอใจเป็นต้นนั้นชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะขอให้ตั้งไว้เลยใช่ไหมเรามีตาเราจะต้องทําปริญญาในตาให้พอเลยนะจะต้องทําปริญญาในหูจะต้องทําปริญญาในจมูกต้องทําปริญญาในลิ้นต้องทําปริญญาในผมผมเล็บฟันหนังเนี่ยนะต้องทําปริญญาในใจให้หมดเลยนะธรรมะใดที่ยังไม่ทําปริญญาจะทําให้หมด ฉันนราคะใดาที่ยังไม่ได้ละในสิ่งเหล่านี้จะต้องละให้ได้เนี่ยนะกุศลใดที่ยังไม่บริบูรณ์จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์จะต้องทําให้แตงตลอดอาสังขะาธาตุให้ได้เนี่ยนะจะต้องบรรลุให้ได้เพราะงั้นเถอะเมื่อไร่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าตั้งไว้แล้วจะต้องเอาให้ได้เพราะงั้น <c oughs> นะบางคนที่มีความบากบั่นอย่างนี้นะถ้าตั้งอัธยาศาัยแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะบรรลุเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ทีนี้จะบรรลุเร็วหรือช้าก็อยู่ที่อินทรีย์น อินซีมี5นะก็มาดูว่าอินรีไหนที่เราพร่องก็ขอให้ตั้งใจไว้เถอะเนี่ยนะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของโอกาสเป็นของเราจะได้แหละกิเลสจะไปไหนเสียเออผู้ที่อบรมได้อย่างนี้นะอย่างที่กล่าวไปเรียกว่าผู้ประกอบด้วยองค์6หรือผู้ที่มีฉลังคู่ปีขาเนี่ยนะถ้าทำเสร็จแล้วนะก็เป็นผ้ารหารัน ก็สาต่อไปบอกก็อย่างไรภิสษุจึงเชื่อว่ามีธรรมะอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษาคือท่านไม่ต้องรักษามากนะท่านรักษาอันเดียวก็พอพิสูจนในธรรมวินัยนี้ประกอบแล้วด้วยใจมีสติเป็นเครื่องรักษาดังนี้พิสูจนชื่อว่ามีธรรมะเครื่องรักษาอย่างเดียวเนี่ยนะมีธรรมะอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษาสติรักษาใจอันเดียวก็พอเนีย่ยนะสตินี้ปกติหมายถึงอะไรและลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูด แม่นานได้หรือกในหนึ่งนะถ้าใครระลึกในพระไตรปิฎกได้หมดนั่นแหละแล้วเอาคําสอนเหล่านั้นมารักษาใจอะ่ะไม่ให้ตกไปในบาปเลยอย่างนี้แหละแต่อัตตกถาบอกว่าสติของพระขีณาสพย่อมให้สําเร็จรักษาในทวารสามทุกเวลาอ่นนนานะทวารคือทวารกายวาจาใจเนี่ยไม่มีอันใดที่ไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองเลยมีสติ ทั้งทวารกายทวารวาจาและทวารใจเนี่ยนอย่าลืมว่าสตินี่อย่างน้อยที่สุดให้เป็นไปกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมสติปัฏฐานสี่เป็นยังไงพิจารณาเห็นกายพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตพิจารณาเห็นธรรมไอคำว่าพิจารณาตัวนั้นเป็นชื่อของอนุปัสนาใช่ไหสติที่เกิดร่วมกับอนุปัสนาทั้งหลายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นนน อันผู้ที่มีสติเป็นเครื่องรักษาเลยนะเอาเอานึกง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าอา้าวถ้าเรามองเห็นเนี่ยกายานุปัสนาสติประธานสิบสี่บับพ้าเนี่ยระลึกอะไรได้บ้างพอที่จะรักษาจิตไม่ให้ตกไปในราคะเป็นต้นเนี่ยนะหรือสติระลึกถึงเวทนาเก้ายังไงได้บ้างสติระลึกถึงจิตสิบหกอะไรได้บ้างเนี่ยนะระลึกถึงธรรมะหา้ามีนิวอนเป็นต้นยังไงได้บ้างผู้ที่ระลึกได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นผู้มี มีสติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเออเนี่ยมองเห็นเนี่ยเออก็เห็นสิอา่าก็ไม่ได้หลับอ่าก็เห็นอยู่แล้วเห็นให้เป็นอะไรล่ะเนี่ย น, ะเน ะ, ะ, เะเห็นแล้วจะอบรมอะไรคุณวิลาวันอ่าเห็นแล้วจะอบรมอะไรเออที่เราจะเจริญเนี่ยนะวางวา ง, ง่ายวางง่ายนะเออเราจะเจริญเนี่ยจะปฏิบัติล้วจะเจริญอะไรจะปฏิบัติอะไร อ๋อวิจัยทุกเลยมาจากเหตุอะไรอันเนี้ยแล้วที่เห็นเนี่ยมาจากเหตุอะไรที่เหตุี่มาัจาก อ, อดีตคือตปัญจมเ ห, เห็นจากอดีตนั่นแหละเขามาวิจัยมากๆเลยไอตัวไหนที่เป็นผลของกรรมในอดีตตาสีจิตเห็นอันไหนอันไหนเป็นผลของกรรมอดีตตาต า, ตากับจิตเห็นนี่มาจากกรรมเดียวกันัหม คำไหนบ้างต่างกันยังไงตาเป็นรปปนรปรจิตเห็นเป็นนามานี่เยใช่แต่ว่าต้องมีมากกว่า น, นั้นอ๋อใช่แต่ว่าต้องพิจารณาให้มากกว่า น, นั้นใช่แล้วตามายัางไงตาที่มาจากอดีตที่เคยูเคยอะไรมาแล้วตอบมาตาไม่ใช่เกิดจากหมาพูดเก็มีมหาพูดเป็นเหตุการณ์อ๋อมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้แล้วทำไมมหาพูดดียังไงจึงเห็นได้อะ ทำให้สายเห็นได้มาจากกรร ม, กกรรมทำไมกรรมมันจึงให้ผลพเลพราะมันมีรูปประทหาในอดีตเนี่ยนะนี้ตานี้ถ้าขาดอาหารอยู่ได้ไหมไม่ได้อาศัยตาอันนี้มีแสงสว่างมีสีจิตเห็นก็เลยเกิดไงนะเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแล้วก็พอเห็นแล้วสีนี้สวยหรือไม่สวยอ่ะหยุดตรงไหนอยู่ตรงไหนมีเบรกด้วยเหอ <laughs> เอเรอยุดตรงสิเบกตลอดมึงก็หลัไป นึกอย่างกระรตงั้นเลยก็คือบอกว่าถ้าเห็นรูปารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วอะคิดยังไงจึงจิตจึงจะไม่กำหนัดเห็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคิดยังไงใจจึงจะไม่ขัดเคืองแล้วต้องเข้าไปรอบรู้อารมณ์นั้นยังไงแล้ววิจัยความนึกคิดของเราทั้งหมดได้ยังไงเนี่ย น, นะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะว่าไปก็ทั้งหมดที่เห็นเนะี่ยทุกขัสัตทั้งนั้นนมดนะถ้าเพลิดเพลินใหม่อันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ย น, นะวัตะนี้เนี่ยนะ ตาเนี่ยสีเกิดจากมหาพูดใช่ไหมมหาพูดเหมือนอะไรตัวหนึ่งครังอสารพิษสีตัวการเห็นทุกครั้งคือการประชุมแห่งขันห้าเหมือนอะไร<ส>เพชรคาตเพชรคาตเพชรคาดทั้งห้านะนักฆ่าห้าคนนะ่ะไม่ต้องคนอื่นมาฆ่ามันฆ่ากันเองออาแล้วทีนี้เพชรคาตคนที่หกเขาว่างไงเนะี่ยเขาเห็นอันนี้ยังไม่ดีนะถ้าเห็นอันโน้นประกอบด้วยจะสวยมากอะไร ง, งี้นนะ เป็นจะฆ่าคนที่หกก็กระซิบต่อใช่ไหมก็อยู่กับบ้านร้างตลอดเลยนะคอยรอโจรมาปล้นใช่ไหมเพลิดเพลินก็ตาก็คือชมบ้านร้างไงเมื่อไหร่จะได้เห็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เท่ากับเพลิดเพลินในสีภายนอกอายตนะภายนอกเหมือนโจรอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างเนี่ยนะทั้งหมดฝั่งนี้มีภัยรอบด้านกันะก็จนกว่าที่จะสัตมุ่งเรียกว่าตัดฉันธราคะ ถอนความพอใจความผูกพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลได้ก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นนะทวารอื่นๆก็หมั่นเอามาพิจารณาในลักษณะเดียวกันนั่นนะมันสติรักษาทวารทั้งหมดให้ดีเลยนะีมันสตินี่รักษาทวารไม่ให้ไหลไปในบาปในอกุศลทั้งมวลทีนี้พูดถึงว่าข้อต่อไปว่าพิกษุอย่างไรพิสุจึงจะเชื่อว่ามีธรรมะ เป็นพนักพิงสี่ด้านนะเาเรียกว่ามีที่พิงรอบด้านหมดเลยนะพิงสี่ทิศหมดบอกว่าพิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเสพหมายถึงพิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงบริโภคไม่มีผ้าชิ้นใดที่ท่านไม่พิจารณาแล้วใช้สอยไม่มีอาหารคำใดที่ท่านไม่พิจารณาแล้วฉันไม่มีที่อยู่อาศัยใดที่ท่านไม่พิจารณาแล้วใช้สอยเนี่ยนะท่านพิจารณาแล้วหมด พิจารณาทุกอย่างที่ใช้สอยแล้วก็พิจารณาแล้วอดกลั้นอ น, นอดกลั้นต่ออะไรบ้างคว า, าว ค, วา от, ความหนาวความร้อนความเหนวความกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นอันก็พิจารณาแล้วอดกลั้นนะ่ะถามว่าถ้าไม่อดกลั้นแล้วเสียหายยังไง ม, มีนั่นนะถ้าร้อนแล้วโกรธอะไรเกิด ก, ก็อากุศลก็เกิดโทสะก็เกิดใช่ไหมก็มีพาระรูปหนึ่งนะที่ท่านบาเพ็ญกรรมฐาน กันเวลาหนาวท่านก็นั่งกลางหิมะนัลล่นแหละก็บอกว่าที่ท่านมานั่งหนาวไงท่านก็กลัวหนานวนั่นแหละท่านจึงมานั่งอยู่อย่างนี้นกลัวหนาวอะไรบอกกลัวหนาวในโลกันนรกแดดร้อนก็นั่งอยู่กลางแจ้งเนะั่นแหละบอกท่านกลัวร้อนอะ่ะท่านเลยมานั่งอย่างนี้ท่านกลัวอะไรกลัวร้อนไหนกลัวร้อนแนวเวจีเนี่ยนะของเรานี่มันเย็นทุกหมดนะมให้มันร้อนหมดเลยนะก็คือให้มันเห็นทุกเห็นโทษจริงๆเถอะเนี่ยนะ แล้วพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งคำว่าเว้นเนี่ยเว้นอะโคจรเป็นต้นนะนะสถานที่ที่ไม่ควรไปสถานที่ที่ไม่ควรเกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเว้นร้านสุราเป็นต้นเนี่ยนะก็คืออะโคจรทั reais, ้งหลายก็ไม่ไปพิจารณาแล้วบรรเทาก็คือบรรเทาอกุศลและทุกชนิดบรรเทากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะบรรเทาบาปอกุศลทุกอย่างไม่ให้มีเหลืออันนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วบรรเทา เพราะฉะนั้นท่านมีธรรมะเป็นพนักพิงสีด้าน น, นะคือได้รับการพิจารณาทุกอย่างไม่มีอะไรที่ท่านไม่พิจารณาเนี่ย น, นะนั้นก็แสดงว่าข้อปฏิบัติในาศาสนานี้ก็คือการพิจารณาใช่ไหมต่อไปอย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่ามีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้ว สัจจะเฉพาะอย่างเป็นอันมากของพวกสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นของอันพิกสูในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาแล้วบรรเทาดีแล้วสละคายปล่อยละสละคืนเสียหมดสิ้นแล้วอย่างนี้พิสูชื่อว่ามีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้วนนาาเนี่ยนะก็พระอรหันต์เนี่ยท่านคิดว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์อ๋อท่านไม่คิดแนวนี้นใช่ไหมท่านคิดอีกไหมว่า สัตว์ตามีรูปสัตว์จักมีสัญญาไม่มีสัญญาเนี่ยนะท่านจะไปคิดด้วยอํานาจของกลุ่มเรามิจฉาทิถิไหมชีพอันใดสรีระก็อันนั้นนนะหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสริระก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้ไหมไม่คิดเพราะว่าไม่ไหลไปตามแนวมิจฉาทิฐิทุกชนิดเนี่ยนะนนะท่านยัไม่คิดหรอกว่าไอ้รถเมคโครคันนี้มันตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือมันจะสูญไม่คิดอย่างนั้นอนะันนเพราะท่านรอบรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ ความเป็นไปเป็นมาอย่างละเอียดเพราะนั้นท่านไม่เดินตามพวกแนวของมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นท่านละมิจฉาทิฐิทุกอย่างสัจจะตัวนี้เนี่ยเป็นความจริงแต่เป็นความจริงในแง่ของความเห็นจริงแบบเห็นน่ะคือความจริงนั้นมันมีอะไรหนึ่งทิฐิสัจจะจริงตามความเห็นวจีสัจจะจริงตามคาพูดเนี่ยนะแล้วก็สมมติสัจจะก็คือจริงตามสมมติกันขึ้นแล้วก็ปรมาทัสัจจะก็คือจริงอย่าง สูงสุดเนี่ ย, ยก็ความจริงก็มีหลายอย่างแต่ว่านายถึงความจริงแบบความเห็นเนี่ยท่านไม่ได้ไปจริงจังด้วยอะไรเนี่ยนะเพราะท่านไม่ได้ไปสาคัญแบบนั้นก็อย่างไรภิกษุจึงจะเชื่อว่ามีความสแสวงหาทุกอย่างอันสละแล้วโดยรอบเนี่ยนะคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการสแสวงหากรรมเนี่ยนะคือไม่ได้ตั้งใจเพื่อสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเลย ไม่ได้สแสวงหาพบคือการมาพบรูปประพบและอรูปประพบไม่ได้สแสวงหาพรหมจันทร์เนี่ยพรหมจันทร์ก็แบ่งเป็นสองกลุ่ม嘛เนีพรหมจันทร์นอกาศาสนาก็เรียกว่าพรหมจันทร์แล้วก็พรหมจันทร์ในาศาสนาทีนี้พระ้าหันทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่พรหมจันทร์ในพระาศาสนานี้ท่านก็เลิกสแสวงหาแล้วการสแสวงหาพรหมจันทร์นี่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ทีนี้ถ้าท่านเห็นอริยสัจแล้วท่านต้องสแสวงหาอริยมรรคอีกไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอริยมรรคท่านก็ไม่สแสวงหาแล้ว น, นะเพราะอะไรเพราะเป็น่ารหันแล้วจบแล้วแสดงว่าเป็นผู้มีความสแสวงหาทุกอย่างสละแล้ว